คุณผู้ฟังที่เาคารพพบกับรายการชีวิตวัฒนธรรมและดิฉันพนธธรรมเนียมอินอีกเช่นเคยนะคะขึ้นเดือนใหม่แล้วค่ะวันนี้วันเสาร์ที่สามสิงหาคมแล้วนะคะหลายคนก็คิดถึงบรรยากาศของเดือนสิงหาคมที่จะอบอวลไปด้วยอุ่นไอรักเราเคยฟังเพลงอิ่มอุ่นเราเคยเห็นเด็กๆ เ, เต้นรำหรือ ทำกิจกรรมประกอบเพลงอิ่มอุ่นฟังแล้วน้ำตาไหลฟังแล้วแม่หลายๆคนก็ยิ้มทางน้ำตาเดือนนี้เป็นเดือนที่มีความสำคัญยิ่งนะคะเพราะ12สิงหาคมทุกคนต่างคิดถึงวันแม่แห่งชาตินะคะแล้วก็ไม่ลืมที่จะเตรียมตัวเตรียมใจทำความดีในวันแม่แห่งชาติกันนะคะ สัปดาห์หน้าเราก็จะมีเรื่องราวที่ใกล้ชิดกับวันสำคัญวันนี้มาคุยกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราเกล่นทักทายกันก่อนนะคะว่าพอเข้าเดือนสิงหาคมแล้วเรารู้สึกอบอุ่นแต่ดิฉันก็ไม่ลืมนะคะว่ามีหัวใจดวงน้อยๆหรือหัวใจที่เสริมใหญ่เล็กอีกหลายๆดวงที่ต่างมีความรู้สึกอ่อนไหวกับ วันแม่เอาละค่ะสัปดาห์หน้าเราคุยกันต่อในเรื่องของวันแม่แต่สัปดาห์นี้ยแดดแรงมากนะคะแล้วก็บรรยากาศของท้องที่ต่างๆที่บอกว่าแห้งแล้งอย่างไม่น่าเชื่อในฤดูฝนนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันค่ะท่านใดขับรถอยู่บ้างนะคะก็ไม่ง่วงใช่ไหมคะทาง่วงจอดเลยนะคะแต่ถ้าท่านใดเพิ่งออกจากบ้านมาก็ขอให้เช้านี้เป็นวันที่เป็นเช้าที่มีความ สดชื่นด้วยกันนะคะดิฉันพนธธรรมเนียมอินมาพบกับท่านในรายการชีวิตวัฒนธรรมทาง FM 89.5 สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีแห่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในเช้ามืดของวันเสาร์วันนี้นะคะเราอยากจะให้ทุกๆคนมีความสุขมีกำลังใจนะคะแล้วก็ก้าวต่อไปด้วยกันอย่าง มั่นคงนะคะในชีวิตของพวกเราทุกๆวันนี้นะคะบางคนบอกว่าเนนักขอพักบางคนบอกว่าเนนักขอไปทำบุญบางคนบอกว่าเนนักขออยู่กับบ้านนอนตื่นสายไม่ทำอะไรเลยสักวันหนึ่งได้ไหมเวลาชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะคะชีวิตวัฒนธรรมก็หล่อหลอมทุกๆชีวิตให้ก้าวเดินต่อไปอย่างมีความสุข แล้วก็มีความเจริญมีความวัฒนวัฒนธรรนั่นเองดังนั้นชีวิตวัฒนธรรมนะคะก็อยากจะให้ทุกๆคนจับมือกันให้กําลังใจกันแล้วก็เดินไปด้วยกันบางทีเนี่ยเราอาจจะสะดุดก้อนหินอาจจะเดินแล้วเอา้าประสาทสั่งอย่างนึงแต่แข้งขาเราไม่ทําตามก็มีนะคะดังนั้นถ้าเราไม่ประมาทตั้งสติให้ดีนะคะเราก็จะข้ามผ่าน ปัญหาอุปสรรคหรือช่วงวิกฤตต่างๆไปได้เป็นอย่างดีนะคะในช่วงต้นของรายการวันนี้นะคะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่พอจะมีที่ดินอยู่บ้างโดยเฉพาะใครที่มีที่ดินกว้างๆเยอะๆนะคะตามชาญเมืองเนี่ย จะยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นๆนะคะแต่คนในกรุงเทพเองที่พอมีพื้นที่อยู่บ้างเขาก็ใช้พื้นที่เหล่านั้นเนี่ยในการที่จะปลูกผักเอาไว้กินเองหลายคนนะคะพอไปซื้อผักบุ้งจีนมาจากตลาด mm hmm. ก็จะบอกเขาไม่ต้องตัดต้นทิ้งนะหมายความว่าเอามาทาั้งต้นนั่นแหละแล้วก็ตัดเอารากไว้แช่น้ํา เราก็ไปหากระถางหรือโคนกระถางต้นไม้หรือที่ว่างเนี่ยเอารากไปจิ้มจิ้มจิ้มรดน้ำให้ชุ่มไม่นาาหรอกค่ะมันก็แตกยอดอ่อนให้เราเด็ดมาผักได้อีกจานหนึ่งนะคะหรือจะเป็นรากของต้นผักชีฝรั่งหรือบางที่เขาเรียกผักชีใบเลื่อยอันนี้ก็ปะปลูกได้ผล อีกอย่างหนึงคือขึ้นช่ายที่เอามาใส่ ย, ยำใส่ต้มจืดอะไรพวกนี้ปากมันก็แตกง่ายเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะคะแก้วน้ำเจาะรูใส่ดินก็ใช้ได้ขวดน้ำเจาะรูแล้วก็ทําที่แขวนสวยๆก็ได้แต่ถ้าถ้ามีดินมีกระถางทําเลยนะคะแต่ถ้าใครที่มีออพื้นที่มากๆนะคะทางการแพทย์ จำไม่ได้ว่าใครบอกแต่เขาบอกว่าหนึ่งสัปดาห์เนี่ยให้เรารับประทานพืชผักที่มีหัวอยู่ใต้ดินเนี่ยสักครั้งหนึ่งมันจะช่วยเสริมสร้างแร่ธาตุต่างๆให้สมดุลกับร่างกายนะคะแล้วเจ้าหัวใต้ดินที่ว่าที่เรารู้สึกว่ามันอร่อยอร่อ ย, ออยก็จะมีเผือกมีมันอาจจะมีแครอทผักกาศหัวผักกาดนะคะ ก็หัวหอมหัวกระเทียมนี่ก็ใช่ทางนั้นมันฝรั่งก็ใช่แต่วันนี้ค่ะดี่ฉันเจอเรื่องราวที่เขาชวนเราให้ปลูกมันพื้นบ้านเอาไว้รับประทานเองมันพื้นบ้านนี่ไม่ได้แปล ว, ว่าเป็นพันุ์พื้นบ้านนะคะแต่เป็นมันที่เป็นเป็นมันประจําถิ่นบ้านเรานั่นแหละซึ่งมันพื้นบ้านของไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นอาหารสุขภาพเลยนะคะอยู่คู่กับคนไทยมานานแสนนานแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย ไปนิยมมันที่มาจากต่างประเทศเซก็เยอะนะคะวันนี้ดิฉันก็เลยถือโอกาสแม้เดินตลาดแล้วเขาจะชอบโฆษณาว่านี่มันมาจากญี่ปุ่นนะมันเทศญี่ปุ่นอันนี้สีม่วงอันนี้สีเหลืองแต่ดิฉันก็อดคิดถึงมันสำปหลังมันเทศมันตะภาพน้ํามันหงและมันอื่นๆใต้ดินของเราไม่ได้โดยเฉพาะมันแก้วนะคะเขาก็เลยบอกว่าอยากจะเชิญชวนให้คนไทยเนี่ยหันมาปลูก มันพื้นบ้านเอาไว้รับประทานเองบ้างนะคะเอามาขุดเป็นแปลงๆเป็นร่องๆเป็นเรื่องเป็นดาวกันไปหรือว่าจะปลูกแบบแซมในสวนผลไม้เก่าก็ได้นะคะรูปแบบในการปลูกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะปลูกเอาไว้รับประทานเฉพาะในบ้านหรือเชิงพาณิชย์มันพื้นบ้านของไทยเราเนี่ยนะคะเริ่มเป็นของหายาก และมีราคาซื้อขายสูงกว่ามันเทศและมันฝรั่งด้วยซ้ำไปอย่างการณีของมันนกเออมันนกหลายคนไม่รู้จักแล้วนะคะมันขี้หนูมันขี้หนูนี่เป็นท้องถิ่นภาคใต้เลยนะคะดิฉันจำได้ เพราะฉะนั้นมันเหล่านี้เป็นมันที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกทุกท่านนะคะถ้าใครอยู่ถิ่นไหนก็ลองหามาปลูกดูมันมือเสือดิฉนันยังเห็นเขาหาบขายมันมือเสือนี่หน้าตามันประหลาดมหาศย์มันเหมือนมือหรือหรือตีนของเสือจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าเรารับประทานได้เนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์และความอร่อยไปด้วยกันนะคะอยากจะลองชวนคุณผู้ฟังค่ะ ไปหามาปลูกดูมันพันอะไรก็ได้นะคะที่อยู่ใกล้อย่างดิฉันเองเนะี่ยคุ้นเคยกับมันหงมันหงจะรูปร่างยาวๆเขาบอกว่าคล้ายๆกระเรือหงมันตะพาพน้ำรูปร่างหน้าตามันเหมือนเต่าแต่ว่าเปลือกของมันนะคะจะแข็งๆ แ, แล้วก็มีขนบ้างเล็กน้อยปอกลงไปปุ๊บนะคะจะมีชั้นที่สองเนี่ยเป็นสีม่วงแล้วก็มียางหรือชาวบ้านจะเรียกว่าเมือกเยอะถ้า อีกตระกูลหนึ่งนะคะก็จะเป็นเนื้อข้างในสีขาวเราเรียกว่ามันเจ้ามะพร้าวหลายคนงงมันพื้นบ้านเหล่านี้แถวสมุทรสงครามประจวบคีรีขันราชบุรีเพชรบุรีมีเยอะนะคะแต่คนรุ่นใหม่ไม่นิยมรับประทานเพราะว่ามันต้องผ่านกระบวนการในการที่จะเอามาทำให้อร่อยแต่ดิฉันคุ้นเคยมันตั้งแต่เด็กๆ เ, เอามันมาปอกแล้วก็แช่ในน้าล้างน้ำเกลือสาวด้วยน้าปูนแดง แล้วก็เอาไปแกงบวชหรือเอาไปนึ่งก็อร่อยแล้วนะคะเจ้ามันพื้นบ้านพวกนี้ยจะมีรสชาติอร่อยนะคะเขาบอกว่ายังมีมันที่ชื่อมันอ้อนออนอ อ, น อ, อนไม่ถัวอ้อนเนี่ยนะคะแล้วก็มันเลือดเป็นมันทินไนโอก็ถ้าท่านใดรู้จักนะคะก็เด้นดูแล้วหน้าตาที่ที่เห็นในหนังสือเนี่ยมันก็คล้ายๆกับเจ้ามันที่ดิฉัน พูดว่าเป็นมันหงมันตะภาพน้ำมันจเจ้ามะพร้าวนี่แหละเอาเป็นว่าท่านใดมีที่ลองมองดูในบริเวณบ้านนะคะบางคนก็จะเรียกมีมันหัวบุกอีกนะบุกที่เขาเอามาทําลูกชิ้นของอาหารเจหรือที่มีอยู่ยุคนึงที่เขาโฆษณาเอาไปทําผลิตภัณฑ์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะพวกนี้เป็นตระกูลเดียวกับพวกมันพื้นบ้านทางนั้น เราจะปลูกอะไรนะคะเราก็คงต้องเตรียมพัน์มันก่อนไปหามันที่เป็นพันธ์พื้นบ้านหรือมันป่านะคะบางคนคิดถึงกลอยเลยนะคะกลอยที่เข้ามาเนื้เข้าวเหนียวอร่อยอ่อยอันนี้อยู่ในป่าแต่พวกนี้พอจะเอามารับประทานเนี่ยต้องผ่านกระบวนการที่หัน่นล้างบีบเอาน้ำเมามันออกนะคะเพราะว่า กลอยเนี่ยมีพิษบางคนเมาเพราะว่ามันมีสารบางอย่างอยู่ถ้าแพ้มากๆไม่ตายได้จริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็าตามดังนั้นจะปลูกอะไรรู้จักพันธุ์ที่จะนํามาปลูกก่อนเพราะว่ามันทุกชนิดเนี่ยนะคะมันจะต้องขายายพันธุ์ด้วยหัวนะคะเออเมื่อต้นมันแก่เต็มที่เนี่ยให้สังเกตที่เถาที่อยู่บนต้นบนต้นที่มันอยู่พน้พนดินนะคะ ที่มันมีใบจะมีหัวเล็กๆอยู่ตามซอกใบนะคะเมื่อเถามันแห้งหัวเหล่านั้นจะร่วงหล่นลงมาให้เก็บเอามาทําพันธุ์ได้ค่ะอย่างมันอ้อนมันมือเสือมันเลือดหรือตะกูลแม้แต่มันฝรั่งที่ทีฉันพูดตอนต้นเนี่นะคะยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันมีหลายๆชนิดก็เก็บเอาหัวหรือลูกเล็กๆของมันที่อยู่บนต้นนั่นแหละค่ะเอามาทําพันธุ์ได้นะคะโดย สามารถขยายพันธุ์ได้สองวิธีค่ะคือขยายพันธุ์แบบวิธีธรรมชาติสำหรับมันอ้อนนะคะเขาก็นิยมนำหัวพันธุ์เล็กๆที่มีความสมบูรณ์ไปแช่น้ำสักประมาณสิบห้านาทีหลังจากนั้นก็เอาหัวของมันเนี่ยไปแช่ในสารป้องกันและกำจัดแมลงเชื้อราแล้วก็ฮอร์โมนเร่งรากสักประมาณห้านาทีแล้วก็ผึ่งลมให้แห้งแล้วก็นาไปชําลงในถุงชําสักเอ่อ ห้าสามคูณเจ็ดก็พอค่ะสามคูณเจ็ดำมันไว้นะคะโดยใช้ขี้เถ้าและกแกลบดินร่วนทรายหยาบสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งกลบหัวให้มันมิดพอดีแล้วก็เอาไปไว้ในโรงเรือนที่มีตะข่ายหรือว่าพรางแสงแดดสะหน่อยสักครึ่งนะคะอย่าให้แดดจัดมากรดน้ำเช้าเย็นวันละครั้ง นะคะจะรถเช้าหรือรถเย็นก็ได้สังเกตให้ดีว่าอย่าให้วัสดุในถุงชนะําน่ะแห้งหลังจากนั้นนะคะก็สักประมาณ 4-5 ห้าวันนะคะจะสังเกตเห็นมีต้นพันธุ์งอกออกมาก็นำไปปลูกในที่ที่เตรียมเอาไว้ได้มันพื้นบ้านบางชนิดไม่ว่าจะเป็นมันเลือดมันมะพร้าวหรือบางที่จะมีมันกระชากมันอื่นๆโอ้ยชื่อเยอะแยะมากมายมันจะมีหัวขนาดใหญ่นะคะก็อาจจะผ่าแบ่งหัวออกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็เอ่อตามขนาดของหัวมันแต่ละชิ้นเนียจะเห็นว่ามันมี ตาแล้วก็มียอดติดอยู่นะคะหลังจากนั้นก็ผ่าเสร็จนำชิ้นมันเนี่ยไปแช่ป้องกันสารกาจัดแมลงเชื้อราแล้วก็ฮอร์โมนเร่งลากพึงลมใส่ถุงดาแบบกระบวนการเดิมคัะแล้วก็ไปปลูกลงแปลงนะคะซึ่งถ้าเราปลูกไว้กินเองเนี่ยก็อาจจะปลูกไวร้รอบๆ บ, บ้านของเราแล้วก็อาจจะต้องใช้ค้างค้างพูลค่ะคือต้นไม้ ปักลงไปให้ต้นซึ่งมันเป็นเถาเนี่ยขึ้นไปพันนะคะพอเราสังเกตดีๆเนี่ยเมื่อใบมันเริ่มโทมหรือแห้งแปลว่าหัวมันเริ่มแก่แล้วค่ะเราก็เก็บเกี่ยวเอาไปขายหรือเอามารับประทานนะคะซึ่งสังเกตดีๆนะคะว่ามันแต่ละชนิดเนี่ยระยะเวลาการปลูกอาจจะไม่เท่ากันบางคนชอบกินมันสำปะหลังอย่างตัวเดวนเองเนี่ยเคยกินมันสำปะหลังที่ เขาเรียกมัน5นาทีไปเจอที่ประจวบคีรีขันธ์กลับไปเจอที่จันทบุรีเนื้อเป็นสีเหลืองแล้วก็กลิ่นหอมนุ่มเขาบอกว่านึ่งหรือต้มแค่5นาทีมันก็สุกอร่อยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันเนี่ยมีประโยชน์นะคะแล้วก็เอามาทำอาหารได้ตั้งหลายอย่างคุณผู้ฟังลองเดินตามไปร้านเชื่อมๆที่เขาขายกล้วยเชื่อม เราจะเจอมันสัมปะหลังเชื่อมเจอมันเทศหลากสีเชื่อมใช่ไหมคะตั้งแต่สีขาวสีม่วงสีเหลืองหรือสีอมส้มนะคะเชื่อมแล้วก็ราดกะทิก็อร่อยแต่ถ้าไม่อยากหวานมากเอาไปนึ่งก็อร่อยเอาไปปิ้งซึ่งตอนนี้โอ้โหในห้างสรรพสินค้ากิโลละเป็นร้อยๆก็อร่อยเอามาแกงบวชก็อร่อย โอ้โหสารพัดแล้วถ้าเป็นมันสำปหลังนี่เอามาสีคุณผู้ฟังเคยเห็นกระดานสีมันไหมคะเป็นคล้ายๆกับปุ่มๆไม่ถึงกระตปูนะคะเขาจะมีอุปกรณ์ที่เออใส่ให้มันเป็นฝอยๆะคะ่ะแล้วจึงจะนำเอาไปผสมกับมะพร้าวน้ำตาลนึ่งเป็นขนมมันมาให้เรากินแสนอร่อยเรียนเล่าทั้งหมดทั้งมวลมาเนี่ย เพื่อจะให้คุณวังเห็นชีวิตวัฒนธรรมในด้านอาหารการกินของเรานะคะว่าแต่ก่อนนี้เราไม่ได้พึ่งพาตลาดไม่ได้พึ่งพาส ป, ปสินค้าไม่ได้พึ่งพาเด l i v ว r y ี่ต่างๆแต่เด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ใช้วิธีนี้เพื่อความสะดวกแล้วก็ใช้คำว่าประหยัดด้วยเพราะบอกว่าอยู่คนเดียวอยู่สองคนอยู่สามคนทำกินไม่คุ้มเสียเวลาเอาเวลาไปทาอย่างอื่นดีกว่า เลนเลยเห็นช่องโหว่ช่องว่างที่น่าเสียดายของชีวิตวัฒนธรรมก็เลยนั่งนึกมาว่าเอ๊ะอาทิตย์นี้หน้าฝนถึงฝนจะแล้งในบางท้องที่แต่อยากเชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะเชิญชวนมาทำอะไรร่วมกันในครอบครัวหรือคนเดียวก็ได้นะคะอย่างตัวดิฉันเองเนี่ยยอมรับเลยบางวันเหนื่อยมากๆแต่พอกลับเข้าบ้านจะดึกดื่นแค่ไหนเนี่ยเด่นเห็นต้นไม้เขียว เดียนเห็นดอกไม้บานได้กลิ่นดอกไม้หอมๆเนี่ยมันหายเหนื่อยมันสดชื่นและเดียนเชื่อว่าชีวิตของคนไทยก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไม่อย่างนั้นเวลาวันหยุดเนี่ยเราจะไม่เห็นรถท่องเที่ยวไม่ว่าจะขับเองรวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ออกไปสแสวงหาธรรมชาติเช่นนี้ไม่อย่างนั้นเราจะไม่เห็นโฮมสเตย์เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ด ในแต่ละชุมชนในแต่ละหมู่บ้านได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาอยู่ด้วยแบบชีวิตธรรมชาติแบบชีวิตบ้านบ้านเพราะเขาไม่มีญาติไม่มีเพื่อนและไม่มีที่พักทำนองนั้นจึงต้องพึ่งโฮมสเตย์ ดังนั้นเราทําบ้านของเราให้เป็นวิถีชีวิตแบบนี้กันเองได้ไงคะเด็กก็เลยนึกอาทิตย์นี้มาฉวดคุณผู้ฟังปลูกมันพื้นบ้านเอาไว้รับประทานกันเองดีกว่าใครชอบมันสำปะหลังยิ่งไม่ยากเลยนะคะมันสำปะหลังเนี่ยใช้กิ่งต้นมันนี่แหละค่ะตัดแล้วก็ปักมันขึ้นอาจจะใช้เวลานานหน่อยจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยก็แล้วแต่ดินด้วยนะคะทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศทั้งหมด ดังนั้นเราจึงมีที่ปลูกข้าวในที่แบบหนึ่งมีที่ปลูกหอมกระเทียมที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่สีสะเกดแต่สมัยเด็กๆ ด, ดิฉันจะชอบกินหัวหอมดำเนินสะดวกราชบุรีที่สุดเพราะมันเป็นหัวเล็กๆ ก, กลิ่นหอมจัดอร่อยนะคะตอนนี้ดิฉันก็คิดถึงหอมสีสะเกดเพราะหอมดำเนินมีน้อยลงแต่ดิฉันจะรู้สึกไม่อร่อยเลยกับหอมแขก ซึ่งเป็นหัวแดงแดงเมือเทธ์เอเกือบเกือบจะเท่าหอมหัวใหญ่เข้าไปแล้วแม่ค้าเกือบจะทุกร้านบอกว่ามันปอกง่ายค่ะคุณมันสะดวกค่ะคุณมันชิ้นใหญ่น่ากินดีค่ะคุณโดยทุกคนลืมหอมดำเนินสะดวกหัวเล็กๆหอมหอมยังพอเห็นหอมสีสเกตหัวเล็กๆหอมหอมอยู่บ้างและ จะมีกี่บ้านคะที่มีราวสำหรับตากหอมตากกระเทียมเอาไว้หลังครัวในครัวเด็กรุ่นใหม่แทบจะนึกไม่ออกแล้วว่าเป็นอย่างไรคนสมัยก่อนนู่นเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวหอมกระเทียมก็จะมีหอมกระเทียมเนี่ยมาขายเยอะมากถ้าตามตลาดเนี่ยเขาก็จะมาเป็นจุกจุกจุก จุกจุกหมายความว่าเอาต้นของมันนั่นแหละค่ะมาแห้งๆเนี่ยมามัดรวมกันแล้วก็ผูกเป็นจุกแล้วเวลาเราซื้อไปแล้วเนี่ยถ้าเราตัดจุกใส่กระดาษถึงลมมันอบอยู่อย่างนั้นนานๆมันก็จะเน่าและส่อไปได้แต่คนโบราณเขามีวิธีเก็บหอมกระเทียมด้วยการทำราวใช้เชือกขึงค่ะแล้วก็เอา กระจุกหอมกระจุกกระเทียมแล้วน่ะขึ้นพาดบ้างเอาเชือกร้อยอีกต่อหนึ่งห้อยให้มันพึงลมลมที่มันพัดผ่านไปมาในครัวไม่ได้โดนแสงแดดมันก็จะทำให้ความชื้นหายไปแต่หอมกระเทียมมันจะอยู่ให้เรากินได้นานเป็นเดือนเดือนเห็นไหมคะนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านและเมื่อก่อนนี้เวลาที่เราหนาว เราก็จะสุมไฟแล้วจมมันทั้งหลายที่ดิฉันชวนคุณผู้ฟังไปปลูกกินเองนี่แหละขุดแล้วมานั่งล้อมวงผิงไฟแล้วเผามันกินกันมันแสนจะอร่อยเราไม่ต้องไปซื้อแต่ตอนนี้เราซื้อเสียทุกอย่างซื้อแม้กระทั่งสิ่งที่จะเอามาปรุงรสเราก็ซื้อสิ่งที่มันสาเร็จรูปเอามาทําปุ๊บแล้วผัด เดือนขออนุญาตไม่ได้พลาดพิงสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งนะคะเดือนขออนุญาตพูดถึงคำว่าผงชูรสล้วนๆไม่เกี่ยวยี่ห้อไม่เกี่ยวกับการโฆษณานะคะเดือนอยากให้คุณผูฟังลดละเลิกผงชูรสเพราะว่ามันน่ากลัวเหมือนกันนะคะมันคือโมดอโซดียมกลูตาเมตแล้วถ้าเราใส่ในกว๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามผงชูรสหนึ่งช้อน โอ้โหคนที่เป็นความดันสูงอยู่แล้วเนี่ยความดันกระชูดได้และคนที่มีโรคประจำตัวอื่นใดผู้นี้คืสารเคมีที่ไม่ได้ทำให้อาหารในจานคุณอร่อยแต่มันไปกระตุ้นต่อมกรับรสในปากของคุณที่ลิ้นให้ทำหน้าที่มากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าอาหารในชามนั้นอร่อยคุณลองเสิร์ชข้อมูลดูทางอินเทอร์เน็ตหรือหาข้อมูลทางการแพทย์ ดูนะคะว่าสิ่งที่ที่ฉันนำมาเชิญชวนเนี่ยมันจริงไม่เอ่ยเดนเห็นเขาตักผงชูรสใส่กันเนี่ยบางทีเนี่ยไปกินโจ๊กเขาวางถุงผงชูรสเอาไว้ครึ่งกิโลเลยนะคะเดือนก็สนิทกับแม่ค้าก็ถามน้องๆลืมผงชูรสเอาไว้หรือเปล่าเปล่าพี่แต่มีลูกค้าถามหาผงชูรสหนูก็เลยต้องเอามาวางไว้ในพวงเครื่องปรุงตกใจคะ่ะเพราะ ไม่นานก็เห็นสุภาพสตรีที่มานั่งกินโจ๊กข้างๆดิฉันน่ะตักพงชูรสประมาณช้อนชาหนึ่งน้ำตาลอีกช้อนชาหนึ่งเครื่องปรุงอย่างอื่นไม่นับใส่ลงไปในโจ๊กชามเดียวเห็นแล้วขนลุกด้วยความกลัวไม่อยากให้เช้านี้เครียด น, นะคะแต่เล่าให้ฟังอยากมีความสุขว่าวิถีไทยๆของเรามันเริ่มกลายเป็นเหลือเพียงบางชุมชนเหลือเพียงบางหมู่บ้าน แต่ดิฉันทราบว่าหัวใจของคนไทยทุกคนอยากจะมีอยากจะเป็นและอยากจะไปใกล้ชิดเราสร้างมันกันนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในเมืองใหญ่เมืองหลวงคุณสามารถทำให้ใกล้ชิดธรรมชาติและสร้างวิถีไทยๆได้ในบ้านของคุณเองลองทําดูค่ะเอาละค่ะคุณบิ๊กผู้ควบคุมเสียง และหาเพลงเพราะๆให้เราฟังทรงสัยตา ม, มาว่าอุ๊ยยังไม่เปิดเพลงสักเพลงหนึ่งชินฟังเพลงจากคุณบิ่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงที่สองค่ะ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 วิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี FM 89.5 แห่งนี้นะคะดิฉันพนรทำเนียมอินอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกๆเชา้ามืดของวันเสาร์ตี4ีถึงตีหานำเรื่องราวที่ใกล้ตัวคุณฟังมาคุยกันและอยากพาคุณฟังไปนึกถึงบรรยากาศเก่าๆที่เรามีชีวิตวัฒ น, นธรรมแบบไทยๆแต่เราไม่ได้อยู่แบบเดิมๆอีกต่อไปแล้วเพราะตอนนี้เขายุค ไทยแลนด์ 4.0 เราจะต้องก้าวไปถึงเจนนุ un, ่นเจนนี่เจนนั้นเราจะต้องติดต่อ ก, กับผู้คนทั่วโลกดังนั้นรู้เขารู้เรานะคะจะได้มีชีวิตที่มีความสุขทันสมัยแล้วก็ไม่ลืมวิถีไทยๆ ไ, ไปด้วยแต่ตอนนี้คุณผู้ฟังที่เคารพคะกรมชนระทานเขาก็เป็นห่วงเรื่องของน้ำนะคะ ก็เชิญชวนพวกเราใช้น้าอย่างประหยัดกันด้วยนะคะเพราะว่าฝนก็มีปริมาณที่ไม่เพียงพอจะดึงน้ำในเขื่อนมาก็ต้องวางแผนกันให้ดีการปลูกพืชในพื้นที่ทั้งลุ่มต่ำพื้นที่สูงพื้นที่ดอนหรืออื่นๆก็ต้องมีการวางแผนร่วมกันนะคะคุณที่เป็นเกษตรกรเองนะคะถึงฤดูทำนาถึงฤดูปลูก พืชต่างๆเราจะวางแผนกับปีนี้อย่างไรนะคะเรนเห็นผู้คนที่ทําสวนอย่างพาราก็มีความกังวลแต่แบบหนึง่งตอนนี้ชาวจันทบุรีนะคะผลไม้ที่ขึ้นชื่อลือชายอย่างหนึ่งก็คือลําไยโดยเฉพาะที่อําเภอสอยดาวเนี่ยเดรนไปแล้วเห็นลําไยอุ้ยน่ารับประทานมากแต่กินเยอะก็ไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะคนเป็นเบาหวานนี่เคย ใครมีเรื่องเล่าที่เป็นความจริงนะคะอยากกินลําไยมากตัวเองเป็นเบาหวานรู้อยู่ไปซื้อลําไยมาหนึ่งกิโลแล้วกินจนหมดเรียบร้อยค่ะเป็นลําไยกิโลสุดท้ายในชีวิตได้มีเป็นเรื่องสําคัญแต่ลําไยที่ใส่ดาวเนี่ยลูกเบอร์เกอร์รสชาติอร่อยไม่แพ้ลําไยทางเหนือที่ลําพูนหรือจังหวัดอื่นๆทงางภาคเหนือก็มีลําไยให้เรากินแสนอร่อย แต่ลำไ ย, ยเนี่ยคุณเกษตรก ร, ก, รก็จะบอกว่ามันเป็นพืชที่เมื่อเก็บลงมาแล้วต้องรีบขายเพราะว่ามันอยู่ได้ไม่นานเพราะว่ามันหวานมันฉ่ามันเป็นน้ํามันนุ่นนี่นั่นไม่เหมือนผลไม้อื่นๆที่เก็บมาแล้วยังอยู่ต่อได้นานกว่าเพราะฉะนั้นชาวสวนลำไ ย, ยเนี่ยบางทีเดนก็ทราบเหมือนกันนะคะว่าเขาขาดทุนปีละเยอะๆ ทำไงเนาะเราจะช่วยเข้าได้แต่ตอนเนี้เราก็รู้สึกถึงทุเรียนว่าทําไมเราได้กินทุเรียนอร่อยอร่อ ย, ออยน้อยมากปีนี้ทั้งปีเนี่ยเดือนได้รับประทานทุเรียนอร่อยอร่อยครั้งเดียวจริงๆนอกนั้นซื้อมาแล้วมันไม่แก่จัดบ้างรสชาติมันไม่เป็นทุเรียนเหมือนสมัยก่อนบ้างแล้วยิ่งผลิตภัณฑ์ทุเรียนที่อบกรอบ ทอดหรืออื่นๆเนี่ยโอ้โหถุงนิดเดียวสองร้อยกว่าบาทมันเกิดอะไรขึ้นกับเมืองไทยของเราเพราะเราส่งออกได้มากขนาดนั้นแล้วเราได้กินแต่ทุเรียนเหลือๆหรือนี่คือเรื่องราวของชีวิตวัฒนธรรมที่มันเปลี่ยนแปลงไปเดียนเห็นล้งผลไม้ต่างๆวิ่งล้งนะคะเคยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังไปแล้วตอนนี้เราจะเจออะไรกันอีก อยากให้คุณผ็ฟังคุยกันแล้วก็รู้เท่าทันสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตพวกเราสิ่งหนึ่งที่ดี่ฉันรู้สึกมากๆในฐานะที่เป็นคนไทยคือเดียนห่วงทุกคนรักทุกคนที่เป็นเกษตรกรเพราะว่าท่านทำหน้าที่เหนื่อยยากมากลำบากมากลงทุนสูงมากทั้งกายใจยเงินแต่เมื่อผลิตฑ์ของท่านพร้อมจะตัดให้พวกเรากิน ท่านกลับเจอพ่อค้าคนกลางท่านกลับเจอปัจจัยต่างๆที่เอาเปรียบจนทำให้หลายคนท้อแท้สิ้นหวังและขาดทุนเป็นนี่เป็นสินใครเอ่ยจะเข้ามาช่วยดูแลอยากให้ชีวิตวัฒนธรรมในเรื่องของการทำมาหากินแบบนี้มันยิ้มหวานได้มันสดชื่นได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีวิธีดีๆตอนนี้โลกของโซเชียลมันสามารถแบ่งปันกันได้ แชร์เรื่องที่มันเป็นประสบการณ์ตรงที่มันเป็นประโยชน์กับสังคมบอกเล่าต่อกันก็ดีนะคะแต่คนที่จะนําไปแชร์ต่อต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ด้วยเพราะนอกจากจะไม่แน่ใจว่าจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนจากข้อมูลที่ผิดพลาดคขัดื่อนแล้วท่านอาจจะเผลอทําผิดกฎหมายเรื่องพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไปด้วยก็ได้ดังนั้นเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นตลอดเวลานะ สัปดาห์นี้ดิฉันได้รับคลิปที่เตือนเยอะเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์หมายเลขนี้จุดจุดุดจุดโทรมาบอกว่าจะได้รับเงินพิเศษจุดจุดจุ ด, จ, ด, จ, ด, จ, ดจากการเกษียณอายุจากนั่นนี่นูน่นเยอะแยะมากมายเลยดิฉันขอประชาสัมพันธ์ไปถึงทุกๆ ท, ท่านที่อาจจะได้รับโทรศัพท์คลิปข้อความ อื่นๆ อ, อ, อะไรต่างๆที่เขาส่งมาให้เราตระหนกบ้างระวังจริงๆบ้างว่าสิ่งที่เราจะถามได้จากใครเอ mm ่ย hmm. เออเดนมองเห็นนะคะเคยรู้จักศูนย์ฮอตไลน์เดนเราจะรู้จักสพก mm ้าหนึ่งเราจะจะรู้จักสถานีวิทยุของทางราชการหรือองค์กรที่เขามาช่วยเราทุกๆเช้ามาจาก รายการโน่นนี่นั่นโทรเข้าไปถามองค์กรหล่าเนี้ยเขาน่าจะมีคําตอบให้เราได้ใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงหรือช่องทางของภาครัฐถามเข้าไปเลยนะคะตํารวจอาจจะถามท่านได้บ้างแต่ท่านมีหน้าที่พิทักษ์ความสุขสงบพิทักษ์สันติสุขแต่ถ้าเราถามไปท่านก็อาจจะสามารถมีเครือข่ายที่ช่วยเราได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นบางทีเดียนอ่านแล้วเดียนก็ตกใจก็จะรีบถามเพื่อนที่เขารู้มากกว่าเราหรือถามองค์กรเหล่านี้แหละค่ะบางทีเดียนจะโทรเลยนะคะศูนย์วิทยุจราจรซึ่งเขาจะประกาศตืดดืดถามเข้าไปว่าขอทราบความรู้หรือศูนย์ดํารงธรรมศูนย์ดํารงธรรมเนี่ยถามความรู้เข้าไปก็คงได้นอกเหนือจากจะขอร้องเรียนพอได้รับคลิปอะไรมากๆเดียนก็รู้สึก ขนาดเราอ่านหนังสือเยอะๆฟังข่าวทุกวันเรายังตกอกตกใจแล้วคนที่ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องพวกนี้แล้วได้ทราบข่าวเขาจะไม่สนใจเลยหรือว่ากังวล หรือว่าทําอะไรกันต่อดังนั้นนะคะนอกเหนือจากชีวิตวัฒนธรรมแบบบ้านๆของไทยเราดลยฉันเปิดเรื่องวันนี้ด้วยการปลูกมันพื้นบ้านเพื่อจะนําไปสู่วิถีชีวิตที่เป็นไทยๆของเราในขณะที่เรารเผชิญกับความไม่แน่นอนของธรรมชาติกรมชลประทานชวนให้เราใช้น้ําอย่างประหยัดเพราะฝนฟ้าอากาศไม่แน่นอนเพื่อนเกษตรกรต้องวางแผนการทําเกษตรกรรมในขณะเดียวกัน ตอนนี้เราอยู่กับโลกโซเชียลมีเดียที่มันโอโหแหวงวังไว้วูบรุนแรงมากเราเจออะไรกับสิ่งที่ไม่อยากเชื่อเยอะแยะนะคะและเนนก็ได้ทราบข่าวจากเพื่อนคนหนึ่งที่สนิทกันว่าบางทีเนี่ยภัยใกล้ตัวเดินไปกดตังค์ที่ตู้เอ m เอมแต่ว่าคนที่ไปกดตังค์จะเป็นผู้สูงวัยหน่อย เป็นญาติของเขาไปกดตังที่ตู้เอทเอมอยู่ๆก็มีคนแปลกหน้าเข้ามาพูดคุยอะไรด้วยก็ไม่ทราบแต่แป๊บเดียวญาติของเพื่อนดิฉันน่ส่งบัตรเอทีเอมบอกรหัสให้เขาเสร็จสับเรียบร้อยคนแปลกหน้าคนนั้นกดเอ m เอมเอาตังออกไปจากตู้เอทอมแล้วก็หายไปเลยหลายสตังด้วย พอมารู้ตัวอีกทีหนึง่งก <แ video. S 1> ็เสียใจว่าทำไมเจอเรื่องแบบนี้ย right ิ threats, it? It right no Holly, ่งเป็นผู้ใหญ่ด้วยก็จะคิดมากแล้วก็ไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้นเลยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าทําไปด้วยอย่างไรเหตุการณ์แบบนี้มันเจอขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นตอบไม่ได้ละข่าวว่าเอ๊ะเป็นข่าวที่เขาบอกทางการแพทย์ว่ามันเป็นยาชาหรือบางคนก็บอกว่าเป็นมน คถาจากคนนุ่งคนนี้คนนั้นจะอะไรก็แล้วแต่ฝากทุกคนนะคะชีวิตทุกวันนี้มันเป็นชีวิตที่เราต้องป้องกันตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็ระแวดระวังด้วย<ม>บางทีป้ายร่นเมที่มีผู้คนเยอะแยะมากมายแต่เราอาจจะถูกล้วงกระเป๋าได้ง่ายๆเลยนะคะคือเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นข่าวเตือนภัยกันมาเยอะแยะมากมายดังนั้นอยากให้ทุกๆท่านมีความสุข ปลอดภัยแล้วก็สดชื่นเช่ามืดของวันเสราร์ที่3สิงหาคมอยากให้เป็นวันเสราร์ที่มีความสุขของทุกๆคนและใครที่วางแผนการเดินทางจะกลับไปกลับแม่กลับไปหาแม่ไปรับแม่กินข้าวหรือใครก็ตามที่เป็นแม่แล้วอย่าลืมนะคะสิ่งที่เรารักเขามากๆนั่นก็คือครอบครัวบุคคลที่เรารักเขามากๆคือใคร เราหวังดีกับเขาตลอดเวลาคือใครแต่ถ้าเรารักเขามากเกินไปจิตใจของเขาก็มีทางเลือกที่เราต้องให้อิสระเสรีกับเขาด้วยนะคะดูเหมือนวันนี้จะเป็นชาวที่ดีทันคุยยาวไปนิดหนึ่งก็ขออภัยแต่วันนี้ก็ตีห้าแล้วนะคะรายการชีวิตวัฒนธรรมก็คงจะต้อง ลาคุณผู้ฟังเพียงนี้ที่ฉันถนอดรมเนียมอินดำเนินรายการวันนี้คุณบิ๊กควบคุมเสียงและหาเพล ง, งเพราะๆมาให้เราได้รับฟังกันดอกเตอร์กุลกนิษฐ์ทองเงาควบคุมรายการเราสามคนลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าตีสถึงตีหทาง FM 89.5 แห่งนี้เช้านี้มีความสุขกันทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ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 ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร02 592 1999มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบรุรีขอเชิญชวนนักศึกษาบุคลากรและผู้ที่สนใจ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 สอบถามเพิ่มเติมที่02 549 3653 เป็นคนสำออยเกิดเป็นคนบนดอยไม่ต้องคอยง้อใครบ้านสู่อยู่ในเมืองมุงกระเบื้องสีใสบ้านเคาอยู่กลางไร่ด้ยใบต้อมตึงสู่ซ้อเพลงฝรั่ง ข้าอบฟังเสียงซึ้งเอาตึงตึงตะติดตึงกดีซึ้งก้องป่าบ้านคนดอยบ่มีแสงสีบ่มีทีวีบ่มีน้ำประปาบ่ามีห้องน้ำห้องนวดครับบาบ่ามีโคลาแฟนตาเป๊ปซี่บ่มีเนื้อสันพัด น, น้ำมันหอย บนบนดอยสอบกินข้าวจีบว่ามีน้ำหอมน้ำปรุงอย่างดีแต่หมูเอามีมีน้ำใจ ถ้าสู่อยากกินปลาก็ต้องไปหาในหววถ้าสู่ปลูกดอกไยสู่ได้ใส่เสื้อสวยแต่ถ้าสู่อยากถูกหวยก็เสียใจด้วยคน บ้านบนดอยบอ่มีแสงสีบ่มีทีวีบ่มีน้ำประปาบ่มีหงหนังหงนวดคลับบาบ่มีโคลาแฟนตาเปบปซี่บ่มีเนื้อสันพัดน้ำมันหอยคนบนดอยชอบกินข้าวจีบ่มีน้ำหอมน้ำปรุงอย่างดีแต่หมูเหามี Namjai.